พระธรรมเทศนาแผ่นที่84ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่21พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าเรื่องของใจตายแล้วไม่เคยสูญ วันนี้เป็นวันเสาร์นะวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันเสาร์อีกไม่กี่วันข้างหน้านะเป็นวันลอยกระทงเป็นวันสิ้นปีของ2558 ทางจันทรคตินะคณะทายาทโจมสิ้นปีจันทรคติคือเดือน12เนพนเพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาที่ท่านเป็นจัดเป็นสมฤดูฤดูฤดูหนาวก็ถึงเดือนสีน่เพนและฤดูฝนถึงเดือน8ดเพนแล้วก็ฤดูฤดูร้อน เดือนถึงเดือน8เพผ่นระดูฝนถึงเดือน12เพแผ่นอันนี้เขาจัดทั้งจัดเป็นระดูเกิดสามะดูสี่สแปลว่า12เดือนก็บรอบหนึ่งปีแต่ถึงยังไงมิใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปเท่านั้นนะเราถ้าเราไม่ได้คิดบวกลบคูณหาร วันคืนเดือนปีผ่านไปก็กผ่านไปตามธรรมชาติของมันมันก็ผ่านไปแต่ถ้าว่าเราได้คิดย้อนมาดูดูดูตัวของเรานะดูเจ้าของดูตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าแก่แก่ไปกว่าปีที่แล้วนะท่านหลวงถ้าเราไม่ได้ดูตัวเองมีแต่ว่าฟันคืนเดือนปีผ่านไปทั้นเองก็แล้วไป แต่ถ้าว่าเรามองย้อนดูตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าแก่กว่าปีที่แล้วแก่ไปเรื่อยๆและข้าพเจ้ามิเองตัวของข้าพเจ้าเองจะไม่คิดไม่มีอะไรเลยเหรอข้าพเจ้าจะให้มันแก่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเรานึกทบทวนต้องมองดู ศีลธรรมคุณธรรมในจิตใจใจของเราเป็นยังไงใจของเรามีที่พึ่งอันเกษมหรือยังใจของเร า, เ, าเรื่องวันยังเหละเาะแหละไม่รู้จะไปทางไหนแต่ถึงยังไงก็ให้เชื่ อ, อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ก่อนดีกว่ า, าดีกว่าพวกเราจะล่องลอย เออไหลละล่องตามโลกวัฏสงสารควรจะมีแนวยึดทางด้านจิตใจไว้ก่อนน่าจะดีกว่าพอหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราล้วนแล้วจะเป็นพระที่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสท่านไม่ไดเอารัดเอาเปรียบใคร ท่านมีแต่แนะนาสั่งสอนพี่น้องประชาชนสัตทายาตโยมที่มาเกี่ยวข้องมีทสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมท่านก็ยืนยันหัวเด็ดตีงขาดว่าตายแล้วไม่สูญนะั้นลูกหลานตายแล้วเกิดอีกแต่พวกเราท่านทางหลายมีแต่ได้ยินเสียงมาจากไม่ใช่พจารทุริทิศไม่ใช่สีทิศมันมากกว่าสีทิศ ทั้งเบื่องบนเบื่องหลังเบื่องการ ท, กทุกแห่งผล เ, เขาก็บอกว่าตายแล้วไม่มั่นใจาบางคนก็นลวบลัดไปเลย ว, ว่าตายแล้วสูญ ว, ว่าพอไปเผาที่ปลายช้าแล้ว ก, ก็จบไม่เห็นจะมีใครมาบอกมากล่าวอันนี้ก็คือคำคนทั่ ว, วไปในยุคปัจจุบันแต่ไม่ใช่อยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้น แต่ตั้งแต่สร้างโลกมาก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าในค้างพระพุทธเจ้าคนยุคสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยนคนค้นคว้าศึกษาอย่างพระเจ้าปิงกิละปิงปิงกิละแต่หลวงพ่อจะไม่ผิดน ะ, เ, ะเป็นสาขาเป็นเมืองเล็กเมืองหนึ่งขึ้นต่อพระเจ้าพิมพระเจ้าปเสนพระกุมารลกัจจ ป, ปะ ไปโปรดออพระพระเจ้าแผ่นดินท่านนี้ก็ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญ เ, เพราะว่าข้าพระเจ้าได้พิสูจน์มามากแล้วมั่นใจเขาว่าตายแล้วสูญข้าพระเจ้าเอาคนนักโทษประหารเนี่ย ไปใส่ไปใส่ในหม้อใหญ่ๆพอไปใส่ในหม้อใหญ่ๆทีละก็ก่อไฟไว้พอก่อไฟไว้แล้วเอาคนเข้าไปในหมอ้อพอคนในหม้อเอาหนังควายปิดปากหมอ้อมัดให้ดีแล้วก็ขึ้นเอาไปกั้งเอาไปตั้งไฟเอาไปค้างในไฟ แล้วก็ให้คนนั่งนั่งล้อมรอบมอดดูที่วิญญาณจะออกได้ยังไงออกตรงไหนก็ <c oughs> ไม่เห็นวิญญาณออกพวกนั้นข้าพเจ้าจึงมั่นใจว่าตายแล้วศูนย์แน่นอนเออเอาไปเผาไฟทิ้ง ก, กระจบกร่างกายไม่มีอะไรนี่แหละคนสมัยนักก้นจใช่ย่อยเมื่อไหร่เออ อย่างทุกวันนี้ไม่มีใครทําอย่างนั้นแต่คนสมัยก่อนเขาพิสูจน์ถึงขนาดนั้นว่าตายแล้วสูงแล้วก็มีหลายหลายเรื่องในพระไตรปิฎกลักษณะอย่างที่วดาคนไม่ไม่เชื่อมั่นตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นหนักจุดนี้เป็นอย่างมากพราะว่าพระพุทธองค์ อยู่ในเวียงวังเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นมหากษัตร์ันยุคสมัยหนึ่งจะเป็นถึงจะเป็นประเทศเล็กต่อมีแต่ก็มีศักยภาพเป็นประเทศที่ในยุคสมัยนั้นก็ไม่แพ้ใครเลยแปลว่าเป็นคนที่มีเป็นประเทศที่มีสติปัญญาเป็นประเทศที่อัจฉริยะเป็นประเทศหนึ่งในยุคสมัยนั้นกุงกบิลพัฒ์ จากนั้นพระ อ, องค์กบริหารประเทศด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถึงในใจก็ยังคิดว่าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายตายแล้วมันไปไหนทำไมจะเกิดขึ้นมาเนี่แหละให้ค้าวกลค้นหาเรื่องหาเหตุวิทยาศาสตร์ในการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันมีเหตุแต่ก่อนยังค่อยมีผลเพราะนั้นพระ อ, องค์จึงหนีออกจากเวียงหวัง ถ้าว่าเราอยู่ในเวียงวังคงจะไม่มีเวลาที่จะค้นคิดในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราควรจะหนีออกจากเวียงวังไปค้นคิดคุ้นคิดตามลาพังพอท่านไปเห็นสมมณะมีสมมณะท่านหนึ่งนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ แต่ท่านเขาไม่ไบอกว่าสมณะท่านนั้นก็คือนักบวชนักพรตนักบวชเป็นผู้ห น, นีออกจากคราวาสออกจากม้านจากเรือนไปอยู่ตามลําพังจากนั้นท่านก็นั่งคัตมาที่นั่งหลับตาเน่งสิท ธ, ธะพระพุทธเจ้าของเราสมัยอย่างเป็นครองเป็นพระเจ้าเป็นดินท่านมองเห็นสมณะท่านนั้นแหละเออถ้าเรามา นั่งอย่างสมณธรรม น, นี้คุณคิดอย่างสมณธรรมนี้คงจะมีทางถ้าเราอยู่ในเวียงวังไม่รั่วเรื่องอะไรต่อไม่อะไรบริหารจัดการาประเทศชาติบ้านเมืองทหารตำรวจพี่ภากษ า, าการธรรมาหาเลี้ยงเฉีพเรื่องอาวานิชเรื่องพานิชทั้งหลายทั้งปวงเรามันยุ่งกับโรค ก, การบริหารคงจะไม่มีโอกาสที่จะมาคิด ในเรื่องที่ว่าแก่ทำไมจึงเกิดเกิดแล้วทำไมแก่แก่แล้วทำไมเจ็บเจ็บตายมันมาหาความสุขได้ที่ไหนแต่ทำไมจึงเกิดทำไมจึงตายทำไมจึงแก่ถ้าเราเป็นฆราวาสเราคงไม่มีโอกาสที่จะค้นคิดในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่แหละในความคิดของพุทธะนะเพราะบรารมีของท่านแก่กล้าแล้วเต็มเปี่ยมแล้วนะ ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยอยู่เป็นวันๆกินเป็นวันๆเห็นเขาตายก็ตายแล้วจะทํำยังไงนกระจบนะแต่พระพุทธเจ้าเอท่านไม่ได้คิดอย่างเราถ้าคิดอย่างเราคงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องคิดแบบพุทธะจากนั้นพระองค์ก็หนีออกจากเวียงวังกลางคืนไปค้นคว้าศึกษาพราะยุคสมัยนั้นก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าอยู่ในพระไตรปิฎก ขนาดเอาใสหม้ อ, อแปดหูขึ้นไปไปยกค้างไฟเลยเอาหนังควายปิดอย่างดีแล้วก็นั่งนั่งล้อมรอบดูว่าวิญญาณจะออกวิธีออกมันออกไปที่ไหนก็ไม่เห็นวิญญาณไม่มีวี่แววแม้ต่น่อยเดียวที่จะวิญญาณจะออกพวันนั้นข้าพเจ้าจึงมั่นใจว่าตายและสูญ น, นี่แหละเขาพิสูจน์ถึงขนาดนั้น แต่พระพุทธองค์ท่านไม่พิสูจน์อย่างที่เขาพิสูจน์พระพุทธองค์ไปบําเพ็ญตั้งปหปีบําเพ็ญทดลองอยู่นั่นในโลกกี่วิธีกรรมวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นสมัยนั้นยุคสมัยนั้นนักพรตนักบวชเขาก็มีหลายอย่าง เ, เดินขยับไปเหมือนนกเหมือนหมาก็มีคานไปเหมือนหมาก็มีคลาๆบำเพ็ญตะปะ บางคนก็เพ่นพระอาทิตย์ทั้งวีทั้งวันก็มีบางคนกับดางไฟก่อไฟขึ้นมาบูชาไฟทั้งวันก็มีมีมากมายทุกสมัยนั้นชีเปลยแก้ผ้าก็มีไม่ทานอาหารก็มีทานแต่ละน้อยก็มีประเทศอินเดียทุกวันน้นก็ยังมีอยู่ยังมีผลพวงอยู่นะนลูกหลานคณะสัทธา ญ, ญาิโจมนิตพระพุทธเจ้าท่างก็มองเห็น พวกนักพรตนักบวชเหล่านั้นท่านก็ได้นำประยุกต์เอามาใส่ตัวของท่านเองท่านก็อดพกยานหาหารถึงสี่สิบเก้าวันการบมเพ็ญของพุท ธ, ธะพระองค์ก็มั่นใจว่าถ้าเกินกว่านี้ไปตายแน่ เ, เยียบเส้นแดงเนละี่สิบเก้าวันร่างกายพายผอมอย่างสุดๆดไม่ใช่หหนทาง การทรมานกายไม่ใช่หนทางเราเราควรจะเ ป, เปลี่ยนวิธีกรรมใหม่วิธีการใหม่จากนั้นพระองค์ก็ทรงเสวยพระกยาหารเาพราะร่างกายของท่านยังหนุแน่นอยู่พอเสวยพระกยาหารไม่กี่วันร่างกายก็ขึ้นมาเป็นปกติจากนั้นพระองค์ก็บําเพ็ญทางด้านจิตใจดูจิตใจเพราะว่าท่านได้ศึกษากับ ด า, าราดบทอุตกระดาบทความสองลือศีที่อยู่ในละแวกนั้นเข้าไปศึกษาลือีเหล่านั้นก็สอนวิชาเครื่องสมาธิให้สมาธิให้สิท ธ, ธัตถะท่านสิท ธ, ธัตถะจบเรียนจบโดยเร็วท่านลือศีทั้งสองทั้งว่าอื่นเนี่ยจบแล้วหลักสูตรของผมขอให้ท่านมาเป็นอาจารย์แทนผมแล้วผมจะตายแล้วอายุมากแล้ว ให้ท่านเป็นคณาจารย์สอนลูกศิษย์ต่อไปพระพุทธเจ้าสิทธัตถะสิทธัตถปฏิเศษบอกว่าไม่เออไม่เอาเพียงแต่เรียนรู้จากนั้นไปศึกษาทั้งสองดาบทจบแล้วนะทัากมาบาเพ็ญตามลำพังพระองค์บมเพ็ญเออลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกจนมั่นใจวันเดือนหกเพ็นนั่นนะ่ะพระ อ, องค์นั่งคัดสมาธิ ขาขวาทับบาขาซ้ายเหมือนพระพุทธปฏิมาของพวกเราเนี่ยนั่งขัดสมาธิอย่างเนี้ยกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกตอนนี้ท่านจิตพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมเป็นหนึ่งนะแต่อาการอากับกริยาของกายนั่งอย่างนี้แต่ว่าใจไม่มีใครมองเห็นเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่อย่างนี้นะใจของเราแต่ละคิด คิดแต่ละคนไม่เหมือนกั น, กนที่นั่งอยู่นี่ใจคือตัวผู้รู้คือนามะธรรมตัวนั้นลหละรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาคือว่าญาณรัตนะระลึกชาติหนหลังได้นี่แหละพระพุทธองค์จึงให้คำสำคัญว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจมโนปุพังขมาธรรมามโนเสตามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ปีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนัพระพค์พระพรทง์ไปพิสูจน์เออเพย์พิสูจน์ต้งหกปีที่แรกทรมานกายซะกอ่อนแต่ไม่ใช่หหนทางมันเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดคือตัวผู้รู้นมามมาทำเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพธธุทธะเอ่อที่พวกเราศึกษาภายนอ ก, เ, อกเราศึกษาแต่กฎระเบียบอย่างเนี้ย ก็ยังไม่ถึงแก่นนะแต่เรื่องจิตตภาวนาด้า น, นนะั้เป็นเรื่องที่ว่าหลักของพุทธศาสนาคือแก่นแก่นของพุทธศาสนาหลักของพุทธศาสนาจุดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเรื่องจิตตภาวนาพระท่านขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะทาญาทโยมทุกคนศึกษาเรื่องนี้เรื่องจิตตภาวนาตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญถ้ า, าว่าเราพิสูจน์ได้ ดูตัวเองได้ก่อนที่เราจะพิสูจน์ไปได้เราก็ต้องเชื่อในครูบาอาจารย์ไว้ก่อนจะดีกว่าดีกว่าจะหลับหูหลับตาไม่เชื่อใครซะเลยก็ไม่น่าจะถูกนะเหมือนตาบอดต้องเชื่อคนตาดีไว้ก่อนจะดีกว่าไม่ใช่เหรอถ้าว่าเราไม่เชื่อใครคนตาดีบอกเราไม่เชื่อเดินไป เ, เรื่อยเดกก็ชนต้นไม้ตน้ต น, ต, นตกเหวตกบอก่อ ชนขวักชนหนามไปเรื่อยเผื่อเผื่ออันตรายตายได้ไดเร็วๆเหมือนกันตาบอดไม่เชื่อใครนี้ก็เหมือนกันเราเนี่ยปอกตาบอดด้วยทางปัญญาญ า, าณทัศนะคือความรู้แต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าตายแล้วเกิดนะประกอบคุณงามความดีนะให้มีศีลมีธรรมไว้นะให้ให้ทานรักษาศีลภาวนาไว้นะถ้าหากว่า เราประมาทจนเกินไปเวลาถึงวันนั้นอะเอออย่างวันนั้นวันนั้นคือวันจุดท้ายชีวิตของพวกเราทุกคนมันถึงจุดจบด้วยกันอพอพอประชุมเพลิงเผาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วะมันมีไม่มีใครที่จะไปกับเราได้ดวงวิญญาณใจดวงนั้นมีตบุญกระบาบที่จะตาติดตามพวกเราไปสู่ภพโลก ภายภาคนาถ้าเราชำระจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วก็เป็นพระอระหันต์เข้าสู่นิพพานอันนั้นไม่มีปัญหาท่านรู้แก่ใจรู้ทุกอย่างแต่ถ้าว่าต่ำกว่านั้นลงมาพวกเราก็จะต้องบุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองก็ยังดีถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังดีดีกว่าที่จะไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉน นานาชนิตนานาพันธ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นสัตว์ทั้งหลายมีวิญญาณด้วยกันทั้งหมดในหลักถ่องของพุท ธ, ธะใจของพวกเราเนี่ยแหะพร้อมที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆพร้อมที่จะไปเกิดเป็นสัตว์สาลาสิงได้เพราะเหตุไรจึงไปเกิดเพราะกรรมกรรมคือการกระทำํำพวกเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาตกต่ำํำในหลักของพุทธศาสนาท่านจึงจําแนก จำแนกมนุษย์ทั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันมาหน้าตาร่างกายเหมือนกันเป็นมนุษย์แต่ท่านจำแนกจิตใจนะ่จิตใจของมนุษย์จิตใจมันต่างกันมนุษย์ตะมนุษย์ติรฉาโนมนุษย์ติรฉาโนาคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัติระฉาน ไม่เราจไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่แต่ ก, การแข่งแย่งกันแบบสัตว์รชาณนิสัยสัตว์ธรชาณอันนี้ว่ามนุษย์สัตย์ฉาญโหนมนุษย์เปโตมร่รรางกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจหิวโหยอยากอยู่ตลอดมีความโลภในจิตใจอยู่ตลอดอันนี้เรา่ามนุษย์จะเปโตรมนุษย์ทะเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจสูงสง รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักสูงรู้จักต่ำ situação, รู้จักการปรับปรุงกายวาจายใจของตอนเป็นคนดีอันนี้แปลว่าจิตใจสูงร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจสูงส่งนี่เรียว่ามนุษย์ติมนุษะเทโวมนุษสามนุษย์โสร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นมนุษย์การวางตัวรู้จักพระคุณของบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ วิญวุฒิคุณวุฒิควรปฏิบัติตนอย่างไรในการเป็นอยู่ของพวกเราอันนี้เรววามนุษย์สามนุษย์โศเกิดมาร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นมนุษย์แต่ถ้าว่าเป็นมนุษย์สติรฉาโนนะเป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์ก็จริงแต่จิตใจแนวความคิดเป็นสัตว์ิรฉานนี่แหละพระพุทธเจ้าในหลักธรรมคาสอนของพุทธะท่านแบ่งแยกนะท่านแบ่งแยก ท่านให้ความสําคัญเรื่องของวิญญาณเรื่องของใจเรื่องของนามธรรมมากกว่าเรื่องของร่างกายเพราะฉะนั้นพ่อเราศึกษาในจุดนี้นะถึงพ่อมีแต่ชี้ประเด็นให้ดูเท่านั้นชี้ประเด็นให้ดูพวกเราควรศึกษาจุดนี้จุดเรื่องของใจใจในแนวนึกคิดของของใจคือนามธรรมเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคำสอนของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกเราอย่างน้อยก็เชื่อถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้ให้เราเชื่อไว้ก่อนอจะดีกว่าที่ะดีกว่าที่จะดันทุลังไม่ยอมเชื่อฟังใครในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะให้ลูกพวกเราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติรู้ได้ด้วยตนเองแล้วไม่ต้องจำเป็นเชื่อใครเชื่อตนเองเนอะนี่ถึงเขาเชื่อตนเองก็มีเหมือนกันนะเหมือนกับเด็กในหะม่ๆเราจะ ไม่ไม่อาศัยผู้ใหญ่นะดูสิมันจะเป็นยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันต้องอาศัยผู้ใหญ่ก่อนพอใหญ่อาศัยผู้ใหญ่พอเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็พึ่งลำแข่งตรงเองแั้ก็เชื่อตัวเองบริหารจัดการตัวเองอันนั้นไปอีกมันเป็นตามขั้นตอนนี้ก็เหมือนกันเราได้ศึกษาเราไม่ได้ศึกษาในในในแนวความคิดในพุท ธ, ธเราก็ต้องเชื่อใน ครูบาอาจารย์เชื่อในหลักธรรมคำสอนของเอาพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ก่อนแต่เมื่อเราปฏิบัติได้ด้วยตนเองแล้วนั้น เ, เราจึงจะพิจารณาดูกันกรองไตรตองด้วยเหตุและผลอย่างไรเราจะรู้ได้ด้วยตนเองในจุดนั้นแต่เรองนี้มันรู้ไม่ได้ในตัวเองเลอมันต้องอาศัยครูบาอาจารย์ก่อนในวันนี้ก็หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย อาต่อนี้ไปรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร